ฟังธรรมเนะเอาะก็อยากบอกจากสอนอยากพูดความจริงให้ฟังอยากพูดความเท็จให้ฟังให้ผู้ฟังเลือกได้มั่นใจในสิ่งเหล่านี้มั่นใจในการศึกษามั่นใจในการปฏิบัติที่พระพรุทเจ้าได้ ผีทางเอาไว้จะไปอย่างไรจะมาจากไหนจะมาอย่างไรจากที่ไหนมาใช่อย่างเดินลองดูสัมผัสลองดูเป็นทางลัดลัดทางเข้าสู่มรรคสู่ผลเข้าสู่พระเดียะเจ้าจากสามัญชนจากปุโรชนจากคนชั่วคนเลวขนาดไหนไปได้ทุกชีวิต ทันทีทันได้ไม่เสี่ยงดักพิชาปฏิบัติธรรมวิชากรรมฐานนี่เราก็พร้อมแล้วมีกายมีใจมีสติสัมปชัญญะเอามาใช้ไปในกายในใจ ส ต, ติก็มีได้ความชั่งะก็มีได้กายก็มารับใช่ให้เกิดความรู้ได้จับกายมาให้มาใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวเอาใจที่มันแสดงมาเป็นความรู้สึกตัวมันก็แสดงอยู่ทุกเวลานาที เราก็ได้บทเรียนจยากมันวิชากรรมฐานก็พยายามที่จะประกอบขึ้นมาให้มันเป็นรู ป, ปรธรรมให้สัมผัสเรามีกู้เขยงเข้าเยียดแขนงดอก ถ้าสิทธทะทำอย่างนี้ใครก็ทำได้ทุกคนกู้เขีนเข้ารู้จึกตัวเหยียดเขียนออกรู้สึกตัวอะไรที่มันเกิดกับรูปที่เราเคลื่อนไหวอยู่นี่นอกจากความรู้สึกตัวมันก็เกิดอะไรอีกหลายอย่างก็กลับมารู้จึกตัวซะ ให้เห็นกายนี้จากว่ากายอย่ามีตัวมีตนไปกับกายอีกตัวตนมันเกิดจากกายซอนกายไี้อีกหลายอย่างความร้อนความหนาวความหิวความเก็บความปวดนั่นก็เห็นเหมือนสักธรรมอย่าเอากายเป็นตัวเป็นตนอย่าเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์ มีสติเห็นสักต แ, แต่ว่าแม่จะร้อนก็สักแต่ว่าร้อนหนาวสัต่ว่าหนาวสติจะทำหน้าที่อย่างนี้ล่างซะแต่ก่อนมันเป็นทุกอย่างควาล่องก็เป็นผู้ล่องควหนาวเป็นผู้หนาวควหิวเป็นผู้หิวความเจ็บป ว, ปวดเป็นผู้เจ็บผู้ปวด บัดนี้เห็นถักแต่ว่าเป็นอาการที่เกิดเกิดไปกับรูปนี่แต่ว่าทำให้สั้นให้เห็นจริงๆไม่ใช่คิดเห็นมันมีให้เห็นมันเกิดให้เห็นถ้าเห็นอะไรก็มีสติ นี่คือภาวะที่ปฏิบัติทำตัวปฏิบัติคือภาวะที่เห็นที่รูปที่เห็นนี่น อ, าานอกจากกายนอกจากรูปที่มันเกิดขึ้นแล้วยังมีเห็นจิตที่มันคิดขึ้นมาสิ่งที่เกิดกับจิตก็คือสุขคือทุกข์สิ่งที่เกิดกับจิต ค, ค, คือความคิดความคิดพไปเป็นสุขเป็นทุกข์ ก็ให้หลงพอให้เกิดอะไรต่างๆได้นั่นก็สักว่าจิตความคิดจะให้ความคิดเป็นสุขจะให้ความคิดพาเป็นทุกข์ให้ความคิดมาชอบไม่ชอบไม่เห็นสักแต่ว่ากิตล่างมันดูซิอะไรนี้เกิดเกิดปิดสักแต่ว่าลองดูหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้ง ชั่วโมงหนึ่งอาจจะดูจะได้เห็นอย่างนี้หลายครั้งทำอยู่สักชั่วโมงหนึ่งจะได้เห็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตก็าศึกแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรให้มั่นใจตรงนี้อย่าให้จิตคือความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์คือความชอบไม่ชอบอย่าไปกับมันให้เห็นศัพท์ว่าจิตเห็นสัแต่ว่าคิด มีสติดูกิจไม่กิดดูกิจในตัวมันเองไม่เหนื่อยล้าไม่ลำบากเ่าจะราให้รู้จักใช้ให้บทเรียนจากการจากกิดเยอะแยะมากมายเป็นสูตรของวันถ้าทำดีเอาจะจบไวๆ ถ้าไม่ใส่ใจไม่งั่นใจก็อาจจะชาบั้งทีอาจจะด้านไปเลยปึกหนาไปเลยหลงเป็นหลงกดดื้อด้านทุกเป็นทุกดื้อมันด้านถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นปุถุชนมันหนาาให้สุกเป็นฉุกอย้ทุกเป็นทุกไม่เห็น นี่คือการศึกษาทะลุงเห็นนี่ทะลุงน่ยเราศึกษาเราเป็นสิ้นเราศึกษาคือทะลุงคือย่อยเมื่อมันคือเห็นทุกคือเห็นทุกคือเห็นนี่คือเนื้อได้เนื้อได้หลักได้สัมผัส เนี่ยเราได้บทเรียนจากนี่ให้มั่นใจเหยียบเส้นทางไว้เสมอเห็นเราก็เหยียบที่ว่าสูกทางแล้วถ้าเป็นเอออกจากทางไปแล้วสุขเป็นผู้สุขออกจากทางไปแล้วทุกเป็นผู้ทุกออกจากทางไปแล้วเวลาเราปฏิบัติตัวใครตัวมัน่นคนใดที่เป็นทุก ในบทเรียนจกความทุกมากอาจจะเก่งกว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยส่วนมา ก, ม, า ก, กมักจะมีอย่างน้อยเห็นหลงคู่คกันกับพวงรู้ไม่พลาดตรงนี้ต้องมีสติไปในกายมันจะไม่มีสติมันจะหลงไปทางอื่นนี่สิ่งที่ทำให้หลงเยอะแยะ <c oughs> เรามืนเคยหลงเคยใช่มาตาหูจจงหมุดดึงกายใจหลุดหลดติ่งเสียงอารมณ์สมบัตินี่แต่เสียงที่ชวนให้หลงแล้วก็เคยใช่หลับใช่ความหลงทุกครัง้งหลับใช่ความทุกความทุกทุกครั้งเราหลงก็หลงเราสุขก็สุกขเราทุกข์ก็ทุกข์แบบนี้ สุดส่ลอลงดูนันสุกอันทุกข์อันหลุดอันพอใจไม่พอใจมันไม่ใช่ตัวใช่ตนตนที่เป็นทื่อพึ่งคือเห็นไม่เป็นไปกับมันคือพึ่งตัวนี้ให้มันใหญ่ให้มันเจริญขึ้นมาได้ปวดเรียนเวลามันหลงได้รู้ เวลามันท uh e yup ah, ุกได้รู้เวลามันสุกได้รู้เวลามันผิดได้รู้เวลามันถูกได้รู้เวลามันโง่หงได้รู้เวลามันฟุ้งซ่านได้รู้เวลามันง่วงเมาหอนนอนได้ได้รู้ก็เกิดที่กายที่จิตนี่แหละจึงว่าเห็นกายสักตธว่ากายไม่ใช่สัจพุคลตัวตนโลกเขาเห็นจิตสักตธว่าจิตไม่ใช่สัจพูคลตัวตนโลกเขา เห็นธรรมที่เป็นอาการเกิดกับกวายกับใจมากมายเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นความผิดความถูกความโชกพอใจความไม่พอใจบางทีเมื่อเวลามันสุขก็พอใจในความสุขเห็นทรรมแล้วนะั่นไม่ใช่จะไปยึดว่าตัวเองมีความสุขเวลามันทุกข์ก็ เป็นอู้ทุกข์นั้นว่าไม่เห็นธรรมสัจธรรมความสุขความทุกข์เกิดจากอาการต่างๆจากกายจากใจจากรูปจากนามมันเป็นอาการอย่ากมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะมัน ถ้ามันเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอาการที่เกิดกับกา่ากับใจกับรูปกับนามนี่มันก็ไปไม่ถึงไหนยังเป็นภาละยังหนักยังเป็นอุปาทานยังยึดมั่นถือมั่นในอาการต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ก้าไปไม่ได้ผ่านไป ในเข้ากระเสแห่งพระฤาษีเจ้าผู้ที่เข้าสู่กระเสแห่งพระฤาษีเจ้าจะเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นไปอย่างนี้จะได้ลาดๆเั่วไปจะไม่เนื่นช้าให้มีพลังให้มีศรัทธาว่าตรงนี้แน่นอน สัมผัส ด, ดูเห็นไม่เป็นเนี่ยมอนสัมผัส ด, ดูถ้าเป็นเราสัมผัส ด, ดูจะรู้จักเลือกความเท็จความจริงไม่มีคําถามใครเมื่อเราได้สัมผัสเราก็รู้จักเองเช่นความหลงกับความรู้จักตัวมันก็ต่างกันอยู่ความทุกข์กับความรู้จักตัวมันก็ต่างกันอยู่ ความพอใจกับความไม่พอใจกับความรู้สึกตัวมันก็ต่างกันอยู่ความสงบกับความรู้สึกตัวมันก็ต่างกันอยู่ความพุ้งซ่านกับความรู้สึกตัวมันก็ต่างกันอยู่แล้วก่อนจะมีบิดในตรงนี้บาลียตตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้ ดุงที่ไดลู่ที่นั่นหรือว่าวิในและเบียบการใช้ชีวิตทุกที่ใดลู่ที่นั่นหรือว่าวิในและเบียบการใช้ชีวิตจะไม่ได้ผิดพลาดไม่เสียเวลาวินายนก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางที่วิเศษไม่ใช่ไปอยู่ในตำลา ในวิในการใช้ชีวิตไปเพื่อมกันกับการปฏิบัติปฏิบัติคือทำปฏิบัติทำทําให้มันเป็นธรรมขึ้นมาความหลงไม่เป็นธรรมคามไม่หลงมันเป็นธรรมเราให้ความเป็นธรรมแก่เราอย่างไรความทุกข์ไม่เป็นธรรม ผมรู้สึกตัวความไม่ทุกข์นี่เป็นธรรมนี่คือธรรมมะนันเป็นกุศลเอากุศลรู้จักเลือกได้มันเกิดที่กายที่ใจที่รูปที่นามนี่มันจึงเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปในตัวเสร็จไม่ต้องปอ่านตำลาถ้าผ่านไปแล้วมันจะรู้ เ ข, เขียนเป็นตำรายเขียนเป็นหนังสือก็ได้วอาเราได้จอมผาตัวแล้วความเทิดความจริงเป็นอย่างไรมันหลุดอะไรมามันคาอะไรอยู่ มันก็จะเห็นทิตเห็นทางบอกทิศบอกทางบอกผิดบอกถูกแก่ผู้ปฏิบัติการปฏิบัติทำเป็นชั่นอดุดมสมบูรณ์การทำให้เกิดความเป็นบริเจ้าในชีวิตเรานี่ไม่มีมหาวิเลยที่ไดนสอนสอนเราได้นอกจากเรามาฝึกเอาเอง มีแต่หลักสูตรท่องจำแต่หลักปฏิบัติทําไม่เป็นเช่นพระเรียบบุคคลเช้นต้นเพราะโสดาบันตัละสังโย์ได้สามก็คือ 1. สักาะทิฏฐิจงวิจิจชา สามศิลปตะตะปรามาตแค่นี้ท่องได้แล้วตอบได้แล้วแต่ทำไม่เป็นไม่มีประโยชน์ก่อนที่จะรู้เรื่องนี้ก็จะเขียนเรื่องนี้เกิดขึ้นมามันต้องรู้ก่อนเห็นก่อนจึงเขียนขึ้นมาในพระสูตรนี้ ออกมาจากปฏิบัติก่อนปฏิบัติปริญาตเป็นสองจึงมามีหนังสืออะไรคือจักรยานทิฏฐิไม่ใช่จะพูดแค่นี้จักรยานทิฏฐิอะไรที่มันเกิดกับกายที่เป็นทิฏฐิเอามาเป็นตัวเป็นตนมาเขียนเป็นหนังสือสองประโยค แต่มันเกิดขึ้นจากกายกว่าจะว่าเป็นหนังสือได้มันก็แน่นอนเราไมาเขียนเป็นโ ย, โย่อๆไม่โอไกลไม่เป็นตัวเป็นตนสิ่งที่เกิดกับกายมากมายเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายมากมายเราเป็นความพอใจไม่พอใจเพราะกายมากมายเราไม่ความชอบไม่ชอบเพราะกายมากมาย เราหลงาก็ก่อยมากมายเราจึงเห็นทึงมากมายเนี่าเป็นสักว่าจะหลบลงมาสักแต่ว่าเดียว่าเอวังเอวังน้อยน้อยจากเรื่องมากทำให้เป็นเรื่องน้อยเรียว่าเอวัง เพื่อให้ไอที่เป็นวิทยาศาสตร์จกักร ว, วาลเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกายจบตรงนี้นาศาสตร์ที่เป็นศีนกลกายจบรงที่จกักร ว, วาการเอาว่าจบที่นี่มันก็ไม่มี สุขมีทูกขมีอร่อยเกิดกับกากอีกต่อไปแม่กายมันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นก็าสักแต่ว่ามันเป็นสาตวจบตรงนี้ใจเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้หิวเป็นผู้เก็บเป็นผู้ปวด น, น, นั่นไม่ถูกต้องไม่จบไม่ชิ้นสักทีเดียนไม่จบนลใช่อากาต่างๆซึ่งไม่ใช่ตัวใช่ตนเอามาเป็นตัวเป็นตนตในตัวตนแล้วไม่พอยังไปเป็นภาระาแต่สิ่งอื่นวัตถุอื่นเกิดความขัดแย้งในเรื่องของรูปของกายจนเป็นศีลเป็นวิ น, นัยเป็นกฎหมาย มากมายเพื่อให้คนปฏิบัติตามจิตคุกติตลางหรือประหารชีวิต็เพราะกายของคนนี่ทำไม่ดีไม่ศักตะว่าถ้าเราเห็นจักตะว่าแล้วล้วก็เป็นประโยชน์อีกมากมายไม่เป็นโทษนี้กายนี้ก็ได้ประโยชน์จากกายจากรูป ถ้าเราศึกษาได้เห็นได้จบแล้วถ้าเราไม่ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เรื่องกายก็เป็นโทษเป็นภัยอีกมากมายถ้าเราได้เห็นเราก็มั่นใจมั่นใจในกายมั่นใจใน จ, ใจิตใจหรือว่ารูปธรรมนามธรรมจา คลองมันจะคลองรูปจะครองนามนี่เมื่อคองรูปคองนามได้แน่นอนทองสินของทรคลองคนครองงานครองทุกอย่างในโลกนี่เราจะคองเราจะไม่ทำอะไรให้เดือดร้อน เราจะทําประโยชน์มือห้านิ้วจิบนิ้วก็มาทําประโยชน์จะช่วยเหลือมีนามที่มันมีเคลื่อนไหวไปได้มันลู้ได้คนมีทุกข์ก็เห็นคนมีทุกข์คนผิดก็เห็นคนผิดจะช่วยคนที่เห็นผิดให้เห็นถูกจะช่วยคนที่เป็นทุกข์ให้ไม่ทุกข์มี สติไม่ีปัญญามีวาจาคําพูดก็จะบอกความหลงไม่จริงคมไม่หลงจริงจริงกว่าความทุกข์ไม่จริงคมไม่ทุกข์มันจริงอยู่มีอยู่ในความทุกข์นั่นความโกรธไม่จริงควมไม่โกรธมันจริงมีไหนความโกรธนั่นความเทศขมจริงมาพร้อมกันอย่าไปจนอยากจะบอกตานนี้มีวาจาไม่โกหกวดตถ์เทศ พูดแต่ความเท็จความจริงให้ฟังจริงๆความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องที่สุดอันนี้เป็นคําบอกแต่ว่าตัวผู้ได้ยินเอาไปทําเอาเอาไปเปลี่ยนเอาการเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธด้วยควาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรมรมามปฏิบัติตามทำ ทุกเป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงไม่ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามอธรรมอธรรมก็นำไปสูน่นรกทุกข์ที่ได้โกรธที่เหมือนจุดไฟเผื่ตัวเองก็ยังโกดธยังทุกข์อยู่ทรรย่อมนำไม่ถึงสุคติก็จะเบาเห็นไม่เป็นมันเบา ถ้ามันเป็นละมันหนักเป็นอุปทานยึดอะราฮาเวปัญจขันธาคันทั้งห้าเป็นของหนักต่อะไรก็มาเป็นตัวเป็นตนอะไก็มาเป็นตัวเป็นตนสุขทุกข์ก็มาเป็นตัวเป็นตนความจําได้เหมยลูกออกมาเป็นตัวเป็นตนโกรธตั้งแต่บีกายนี้มายังปีนี้ยังโกรธอยู่ ทุกตั้งแต่ปีกลายนี่มาปีนี้ยังทุกอยู่คิดถึงความทุกข์เมือ่อใดแต่มันยังทุกอยู่ใจยังสั่นอยู่ผ่านมาแล้วตั้งหลายปีนะับว่าสัญญานึกว่าตัวว่าตนแล้กวกูได้โกรธายไม่ลืมมันแหละตัวสัญญาเปิปาละหนัก นี่ก็จะเป็นปีเก่าจะเข้าสู่ปีใหม่สงท้ายลองดูเอาทิ้งไปซะเมอต้อนรับปีใหม่มันหลงเอาไม่หลงจะไม่ปีใหม่า ก, การหลงเป็นรูปการทุกข์เป็นรูปการโกรธเป็นรูปการผิดเป็นรูปการูกผ่านทุกข์เป็นรูปจะได้ชีวิตใหม่ปีใหม่ งันผ่านอย่นี้ให้มันใหม่ให้มันเจริญในธรรมไม่ใช่ปีพ่ายเรามีอายุอายุที่ปีที่เดือนเนี่ยมันกินนะไม่ใช่ได้นะส่วนเป็นชีวิตจริงๆริงมันก็เห็นนี่ยไม่เป็นเนี่ยทิ้งไปแล้วมันก็ใหม่ขึ้นมาได้ชีวิตใหม่ได้อายุได้คุณภาพ นติการของชีวิตที่สู่พระเดียเจ้าคือลักษณะนี้ไม่ใช่แก่เพราะกินข้าวหรือบวชนานแก่แก่เพราะชินธรรมแก่ก้าเพราะชินพราะธรรมชินธรรม้ปเราแก่ก้า การแก่ด้วยชิ่งทีมเนี่ก็เหนือการเคยแก่เจ็บตายถ้าไม่ถ้าแก่ด้วยกินข้าววันเวลาก็ทำให้แก่เจ็บตายยิ่งใกล้ความตายครับไปแบบนี้มาปีใหม่จบท้ายปีเก่าผ่านลองดูซิอ้าไปอย่าให้เหมือนตามไปถึงปีใหม่ อีกสองวันจะถึงปีใหม่เปลี่ยนปศใหม่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นได้เรามาก็ทิ้งจริงๆประกาศทิงเก่ ง, งที่สิบ ป, ปีน่าตั้งแต่นี้ต่อไปคําว่าฉุกเฉิทุกที่เกิดกับกายกับใจจะไม่มีอีกแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่เอากายเอาฉุกเอากายเอาจิตใจมาเป็นฉุกเป็นทุก หยุดกันทีนันว่าจากนี้สี่สิบกว่าปีนะนี่คือชีวิตใยห้อยไปเขียนไว้กับจิตกับกายกับใจชีวิตต้องเป็นชีวิตเป็นศิลาภาพมาจถานนี่แต่เห็นอะไรที่เกิดกับกายกับใจอย่างนี้น่าจะทำได้แล้วก็ได้จริงๆ หยุดเดี๋ยวนี้ก็หยุดได้เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเห็นมันเดี๋ยวนี้ก็หยุดแล้วหยุดเป็นแล้วเห็นมันสุขไม่เป็นสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันก็หยุดแล้วทันทีไม่ได้รอไม่ต้องนับวันนับเตือนปฏิบัติธรรมมันเป็นปัจจุตตังทันที จึงเรียกให้มาดูจึงน้านอมมาใช้ตัวเราเน่าของเท็จของเกินขนาดนี้เราจะรอถึงวันไหนเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ผูคลตัวตนโลกเขาเอาเดี๋ยวนี้เห็นจิตสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ผูคนตัวตนโลกเขาเดี๋ยวนี้เห็นสุขเห็นทุกข์สักว่า ถูกมาทุกไม่ใช่สัปบุคคลตัวตนเราเขาไปเดี๋ยวนี้เอาไว้หลังเดี๋ยวนี้ที่ไหนที่นั่นเดี๋ยวนี้เกิไม่ความจำไม่จานาญเป็นปริญญาญาตปริญญาลู่แล้วติลคณะปริญญาแจกแ ก, แกงไม่เหลืออะไรแล้วเห็นไม่เป็นไม่มีอะไรเหลือติคณะปริญญาปัญหาคณปริญญาทําให้หมดไป หมดไปแล้วหมดไปแล้วนั้นหมดไปนั้นเป็นขั้งสุดท้ายนะเวลทุกเนี่ยเผลหลงเป็นขั้งสุดท้ายได้เวอมโกรธเป็นขั้งสุดท้ายได้นี่คุณค่าชีวิตเราที่เรามีกายมีใจมีรูปมีนามเพื่อการนี่โดยตรงไม่ใช่พากานเกิดมาเจ๋เจ็บตายเฉย จึงมีศาสตร์ชิดามีวิธีปฏิบัติมีคำสอนอยู่ในกายของเรานี้อยู่ในใจของเรานี้เป็นสูตรอยู่ที่นี่เป็นธรรมอยู่ที่นี่เป็นวิในอยู่ที่นี่เราทวนจะศึกษาให้มันจบซะ เรื่องของรูปจบไปแล้วเรื่องของน้ำจบไปแล้วอะไรเกิดขึ้นกับน้ำจบไปแล้วเป็นน้ำเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นกายที่บริสุทธิ์แล้วเมื่อกายบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มันจะเกิดอะไรขึ้นมามากมายเกิดตามกายบริสุทธิ์จิตเกิดตามจิตบริสุทธิ์ของคนคนหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยอัน น, นั้นย เปิดพุทธเจ้าองค์หนึง่งรูปหนึ่งขึ้นมารูปที่สจากกุกุสันโทรูปที่1โกนาคมโนรูปที่สองกัจจ ป, ปรูรูปที่สามโคตโมเป็นรูปที่สเรียกว่าโคตโมคือพุทธเจ้านี้เองต่อไปก็สีอันนี้ไมัต่ยโยองค์ที่ห้ารูปที่ห้า ดูทีฮะก็ 5, คือต่อจากครูตรมโมได้ไปจากครูตรมโมนี่คือคำสอนนี่ปฏิบัติตามคำสอนให้มันถูกต้องเข้าถึงอ่า ย, อย่อมไมไตรโยไม่ใช่ที่ไหนเป็นธรรมเกิดจากที่นี่ ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นธรรมเป็นคุณธรรมที่โตจากโคตโมที่คำสอนพระเจ้านี่ํำไปปฏิบัติไม่อยู่ที่ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเจ็ดเรามีสติทุกคนมีสติจะเป็นคนคนเดียวกันมันเป็นไปบบได้จริงๆรีว่า เป็นดินลาบเหมือนหน้าของใสหมายถึงคชีวิตของคนลดเหมือนกันหมดมีสติก็เป็นคนคนเดียวกันหมดมีสติก็ลบความชั่วเหมือนกันหมดมีสติก็ทำความดีเหมือนกันหมดมีสติจิตก็บริสุทธิ์เหมือนกันหมดเป็นไปเองของธรรม ถ้าไม่มีสติก็ไม่ละความชั่วต่างคนต่างเป็นไปจ า, าจากคนอื่นหนึ่งที่เวลาความชั่วแล้วก็เป็นอะไรเกิดขึ้นเบียดเบียนการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนเจือกันวัตถุอื่ น, นแล้วไม่เคยเดือดล้อนกับคนที่ไม่ทําไม่เคยดือดรอน ถ้าเราเล่าความชั่วทำความดีทำคามบุญบริสุทธิ์มนกเกิ ด, กกดทําให้จิ่งอื่นวัตถุอื่นเกิดขึ้นมาได้ได้บอกการระพฤกเกิดขึ้นทุกสี่มุมเมืองเมื่อคนเล่าความชั่วทําความดีจุญบริสุทธิ์ก็เกิดกระพึกขึ้นมา พึ่งพาอาศยกันจะ่เห็นกันก็เห็นอันเดียวกันเลยมิตรญาติพึ่งเห็นหน้ากันก็ตื่นตื่ล้นพึ่งพาอาศยกันได้เดี๋ยวนี้ไม่มั่นใจเป็นภยัยคนเราเป็นภยัยเด็กเล็กส1บเอดปีก็ถูกข่มขืนฆ่าตาย ไม่ปลอดภัยเลยอะไรก็ไม่ปลอดภัยมากที่สุดในชีวิตของคนมนุษย์นี่อันตรายมากที่สุดในตัวตัวเราก็ไม่ปลอดภัยยังมีภัยในตัวเราในมั่นใจในตัวเราในีใจก็ไม่มั่นใจ คอยแต่รับโทษรับภัยที่เกิดจา ก, ก จ, จาิตใจตัวเองอันภัยที่เกิดจากภายนอกอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่เช่นอุทกภัย น, น้นมท่วมปีนี้น้าท่วมกรุงเทพร้านหลังชวดพิมพ์บริษัทฮ อ, อนด้า ทุบรถทิ้งพันห้าสิบห้าคันให้คนดูว่าจะไม่ทำให้เสือขุณภาพรถที่น้ำท่วมไม่เอามาซ่อมมาเมามาเมลหายเอารถเขินโยกขึ้นทุบหลง 1 5ึ่ันห้าคันในอุทกภัย น, น้ำท่วมมาตราภัยลงพัดตะกี้ภัยไฟไหมโจรภัยโจรลักขโมยอันนั้นก็เสียน้ำท่วมเสียเฉพาะจึงน้ำที่ท่วมมันเสีย สิ่งที่น้ําท่วมไม่เสียก็ยังมีลมพัดก็เสียสิ่งที่แต่ลมพัดได้ลไมไปพัดได้ก็มีไฟไหม้ก็ไหม้ตั้งแต่สิ่งที่ไฟไหม้ได้สิ่งที่ไฟไห ม, ม, ม้ไม่ได้ก็ยังมีโยนแล้วก็เอาเฉพาะของที่มันเอาไปได้สิ่งที่มันเอาไปไม่ได้ก็ยังมีอยู่เลยอันภัยที่เกิดจากชีวิตของเรานี่หมดทุกอย่างเลย เราจึง่าจะเห็นภยัยผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารอย่าเอารูปว่านา ม, มาเป็นภยัยผู้เห็นภัยในรูปในนามนี่เรียก ว, ว่าพาระเดียเจ้าเป็นพระโสดาบันราั ก, กัจจทิติวิกิจิารีิรพตปรมานตจิติคาคามีก็ละสังโยชนอีกสองจะเรียกว่า กรรมาราคะปฏิฆะต่อไปอีกตามฐานะของกุฎธรรมหมายถึงผู้มีสติเป็นหน้ารอบไม่เผลอไม่มีโอกาสหลง เป็นสินันยิ่งเป็นสมาธิอันยิ่ ง, เ ป, งเป็นปัญญาอันยิ่งเป็นสินที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันทีเข้าไปเหมืนอนผ้าเนื้อดีอ่นน้ำไม่รั่วตู้มีสินทิศินสินอาทิศินฉิกขาสินลักษาแล้ว ปัญญารักษาทำรักษาไม่ตกเป็นไอ้ที่ชั่วไม่หลุดเป็นไที่ชั่วแน่นอนจินมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยทำทั้งหลายแปดหมสี่พันมาช่วยในความหลงไม่ความไม่หลงช่วยในความทุกข์ไม่ความไม่ทุกข์มาช่วยในความโกรธไม่ความไม่โกรธมาช่วย ใ น, มมในความเจ็บมีความไม่เจ็บมาช่วยในความแจอมีความไม่แจอมาช่วยในความตายมีความไม่ตายมาช่วยไม่ได้เจ็บผู้ความเจ็บไม่ได้ทุกข์ผู้ความทุกข์ไม่ได้ตายผู้ความตายมาเองมาไวไหวติมาไหวไม่ใช่ความหลงมาไหวเราไม่ฝึกความหลงมาก่อน ตาเห็นลูกความหลงมากรหูที่เสียงเสียงความหลงมากรแม่ที่ปวดหัศทบอปวดห ด, ดความรู้มากรแต่ว่าสติสัมชัญญานี่มาไวๆไวเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็โดดใส่ลูกไวที่สุดไม่อะไรครับอะไรไม่ถึงลูกง่ายเท่ากับแม่ เพียงแต่คิดก็ถึงลูกแล้วได้อะไรก็ถึงลูกแล้วงวงใยตลอดเวลานี่น่านใจของพ่อแม่ที่มีตัวลูกได้อะไรมาคิดถึงลูกโกรนนี่คือมาไหวไม่คิดถึงใครคิดถึงลูกใช่ไหมไม่ออกนะโอ้ไอม่ลูกแม่นาะ ได้อัน้ำสมเขียวหวานเอาเชียงหนาเชียงหนักจะไปลูกอนได้ไรมาคิดถึงลูกก่อนนี่แม่คือพ่อมาไวากว่าคนอื่นห่วงใยตลอดเวลาอยู่ไล่อยู่นาอยู่กับลูกนี่ไล่ลรมาคิดถึงลูกก่อนไม่คิดหลังเกียดในสิ่งที่น่าหลังเกียดของลูกไม่คิดหลังเกียดในสิ่งที่น่าหลังเกียดของลูก โอ้ขีโอเยียวมาดมได้นอนกลางคืนเอามือไปขำก้นลูกเอามือมาดมดูมันขี้มันเยี่ยวดมขี้ลูกได้ไม่หลังเกียดเลยไม่หลังเกียดในจริงที่น่าหลังเกียดของลูกทุกของลูกยิ่งกว่าตุกของตัวนี่คือมาวัยถึงลูกจะว่าเพียงไดพ่อแม่จัดไม่ขาดนี่คือมาวัย สุขใดๆคือลูกเป็นคนดีเห็นความสุขของพ่อของแม่ก่อนคนอื่นคนอื่นจะไม่เห็นพ่อแม่เห็นแต่ลูกเป็นคนดีสุขก่อนหมู่สติฐี ส, สมชาติมาไวก้กว่านี้มาดูแลกายใจไวก้กว่านี้ให้ความเจ็บไม่ความไม่เจ็บทันทีทำจานี้จํานานเป็นหรือว่า สิกขาและทําทเป็นคือเรื่องชีวิตไม่มีวันเกยวันเจ็บ ว, วันตาย น, นี่จะเป็นปีใหม่แล้วทิ้งเลยนะประกาศได้ไหมตั้งแต่นี้ต่อไปก็มาจบวันทุกที่เกิดกับกายกับใจหยุดกันทีตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่เอากายเอาใจไปเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์หยุดกันทีจะมาเป็นปัญญาทั้งนั้นปัญญาโลบรู้นีนกายหนใจนี่ รวมลบรูปเหนกาใใจเรียกว่าปัญญาเรียกว่าสังขารกายสังขารจิตตสังขารเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาไปจบจากสถาบันใดปัญญาเกิดจากกายสังขารเกิดจากจิตตสังขา ร, ขารที่มันผายเป็นอะไรต่างๆนี่นจบเนี่ยนะอ๋อไปจบก็ฝังกัน